ในบทสวดมนต์ทำวัดเช้าเนี่ยนะตอนถึงบทที่เรียกว่านอบน้อมพระ ร, รัตนาตรัยเนี่ยพระรัตนาตรรยพระรัตนยะปนามกถ า, าคํากล่าวที่นอบน้อมพระรัตนตรัยตอนท้ายจะอ้างว่าบุญใดของข้าพเจ้าผู้ว่า ย, ยู่คำว่า้หรือนอบน้อมด้วยกายวาจาใจาซึ่งพระรัตนตรัยพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังขรัตนะ พระตนตรายนั้นเป็นสิ่งที่ควรบูชาสการะเคารพนับถืออย่างเดียวเท่านั้นบุญที่เกิดโดยการกระทำเหล่านี้ขออนุภาพแห่งบุญนี้ขอให้อุปทวะอันตรายทั้งหลายจงหายไปนะฝันใครก็ตามที่เรียกว่าอ้างเอาคุณของพระตนตรายแล้วก็ยังมีภัยทั่วหน้าก็แสดงว่ากรรมนี่หนักหนาสาหัสมากสาหรับคนนั้นนะก็เหมือนอย่างว่า มีเรื่องเดือดร้อนแล้วเข้าไปเพิ่งใบบุญพระราชาแล้วก็ยังเดือดร้อนอีกแสดงว่าแม้คนนั้นเนี่ยนะสาหัสมากๆจริงๆใช้แสงสว่างเนี่ยนะเรียกว่าอยู่ในตอนกลางวันก็มองอะไรไม่ค่อยจะเห็นก็แสดงว่าตาเนี่ยเลวร้ายมากว่างั้นนะคิดถึงพระพุทธเจ้าใจก็ยังไม่ค่อยจะเลื่อมใสก็แสดงว่าใจของบุคคล น, นั้นเศร้าหมองมากมันจะต้องพยายามที่จะ กล่อมเกลาขัดเกลาใจของเราให้โครจรไปในคูณของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นที่ขัดเกลาเนี่ยนะให้ใจของเราเนี่ยผ่องใสสะอาดปราศจากความมัวหมองอนะทํทำให้ใจของเรานั้นเป็นใจที่มีคุณค่าเป็นใจที่มีคุณภาพใจใดที่เป็นบุญโรคทั้งหลายที่มีใจเป็นสมุทฐานโรคเหล่านั้นก็จะหายไปใจใดที่เป็นบุญใจเหล่านั้นเนี่ยนะ บุญเหล่านั้นเนี่ยจะช่วยป้องกัน น, นะเป็นอุปปีและกกรรมไปเบียดเบียนอกุโสลกรรมทั้งหลายที่จักให้ผลที่กําลังให้ผลกุโสลกรรมเหล่านี้สามารถเบียดเบียนได้เพราะะฉนนัน้ด้วยเหตุนี้เราน่าจะมาศึกษาคุณของพระัตนตรัยกันเนี่ ย, น, ยน ะ, ะศึกษาคุณของพระัตนตรยัยตามหนังสือบทสรรเสริญพระรัตนะตรยัย แต่ก็จะไม่หยิบมากล่าวตามลำดับแต่ก็จะกล่าวตามที่เห็นสมควรเนี่ยนะในเรื่องคุณของพระรัตนตรยัยเนี่ยนะในะาษาทัศนูตรูตรที่เรียกว่ากล่าวถึงความเลื่อมใสาถามว่าบุคคลที่น่าเลื่อมใสในโลกถ้ากล่าวในเรื่องของบุคคลเนี่ยนะไม่มีบุคคลเหล่าใดจะน่าเลื่อมใสเท่ากับพระพุทธเจ้า ดังที่พระองค์ตรัสว่าในบรรดาสัตว์ไม่มีเท้าสัตว์ที่มีสองเท้าสัตว์ที่มีสี่เท้าหรือสัตว์ที่มีเท้ามากอันนันถ้าหากว่านับสัตว์โดยใช้เท้าเป็นเครื่องวัดเนี่ยนะไล่ตั้งงั้ไม่มีเท้าจนมีเท้ามากใครจะดีเท่าพระพุทธเจ้ามีไหมใครจะดีเท่าพระตถาคตมีไหมคําว่าตถาคตอย่าลืมว่าผู้ที่เสด็จมาเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อน ผู้ที่ตรัสรู้เช่นกับพระพุทธเจ้าองค์กรผู้ที่โอวาทแนะนำสั่งสอนเช่นกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อ น, อนเช่นกับพระพุทธเจ้าที่เคยมีมาแล้วในอดีตที่จะมีต่อไปในอนาคตพันในบรรดาศัตว์ทั้งหลายจึงไม่มีผู้ใดเท่ากับพระพุทธเจ้าพระตถาคตเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์อรหันต์ัสสั ม, มสมพุทธเจ้าไม่ใช่อรหันต์ธรรมดา ไม่ใช่สาวกอรหรันไม่ใช่ปัจเจกะพระอารหรันแต่เป็นพระอารหรันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระอารหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นยอดแห่งสัตว์ทั้งปวงหรือจะยกโดยรูปสัตว์ที่มีรูปหรือไม่มีรูปคําว่ามีรูปหมายความว่าในปัญจโวการภพหรือเอกโวการภพเนี่ยนะไม่มีรูปก็คือจตุโวการภพก็คืออรูปประพรมทั้งหลาย สัตว์ทั้งหมดเหล่านั้นก็ไม่มีใครที่จะเหนือหรือว่าดีกว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประเสริฐที่สุดกว่าสัตว์ที่มีรูปหรือไม่มีรูปเป็นยอดจริงๆวัดกันที่ไหนวัดกันที่การสร้างบารมีวัดกันที่พระปุพพาริยาคุณวัดกันที่พระศริระคุณวัดกันที่พระพุทธคุณทั้งหลาย เพราะพุทธกิจทั้งหลายพาะพระองค์นั้นจึงไม่มีสัตว์เหล่าใดที่จะเสมอเช่นเดียวกันกันกบพระองค์เลยในเหตุที่ขวาเหตุในอดีตตเหตุก็ไม่มีผู้ใดทำเหตุมาเช่นกับพระองค์ในกิจที่บำเพ็ญอยู่ในปัจจุบันก็ไม่มีผู้ใดทำกิจเสมอเหมือนกับพระองค์พันพระองค์จึงเป็นเช่นกับพระพุทธเจ้าในอดีตอนาคตเท่านั้นเนี่ยนะ พระองค์จึงเป็นยอดกว่าสัตว์ที่มีรูปและไม่มีรูปหรือในบรรดาคนที่มีจิตใจทั้งหลายสัญญาเนี่ยเพ่งไปที่จิตเช่นคนที่มีความคิดทั้งหลายเนี่ยหรือคนที่ไม่มีความคิดดับความคิดเช่นอรูปพรมอสัญญาสัตตาพรหมที่ดับความคิดคนที่มีจิตคนที่ดับจิตหรือว่ามีแต่จิตที่เบาบางในบรรดาคนที่มีความคิดมีจิตวิญญาณเหล่านั้น ไม่มีผู้ใดเสมอด้วยพระพุทธเจ้าในด้านคุณภาพจิตของของสัตว์ทั้งหลายจิตของพระพุทธเจ้าเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยอะไรประกอบไปด้วยอรหันตคุณเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยสัพพันยูเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยอาสาธารณญานเวสาราันเป็นจิตที่ประกอบด้วยทศพลยานเป็นจิตที่ประกอบด้วยสติปัญญาอันหาที่สุดหาประมาณไม่ได้ เพราะฉะนั้นในบรรดาเรื่องยกคนที่มีความคิดก็ไม่มีผู้ใดมีความคิดล้ำเลิศเสมอเช่นกับพระองค์ในบรรดารอยเท้าของสัตว์ก็ไม่มีผู้ใดเสมอด้วยรอยเท้าของพระองค์ไม่มีรอยเท้าของผู้ใดเสมอด้วยรอยเท้าของพระองค์บรรดารูปทั้งหลายก็ไม่มีรูปเหล่าใดเสมอด้วยพระองค์ไม่ในด้านความคิดล่ะไม่มีผู้ใดมีความคิดเสมอเหมือนเช่นกับพระองค์เพราะนั้น พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่เลิศประเสริฐอย่างนี้ผู้ใดก็ตามที่เลื่อมใสเลื่อมใสใช้คําว่าเลื่อมอ่ะนะเลื่อมก็แปลว่าวาวับอ่ะนะเงาวาวับและก็ใสเรียกว่าเกลี้ยงแล้วก็ใสก็เช่นกับแก้วทั้งหลายอันไศรัทธานั้นจึงเปรียบเช่นกับแก้วมณีผู้ใดที่มีใจเป็นเหมือนกับแก้วโครจรท่องเที่ยวไปในคุณของ พระพุทธเจ้าใจเหล่านั้นเนี่ยถือว่าเป็นใจที่เลิศศรัทธาอันนั้นเป็นศรัทธาที่เลิศศรัทธาที่เลิศ ก, ก็เนื่องจากว่าเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศะนั้นศรัทธาที่เลิศใจที่เลิศบุญที่เลิศอันนี้ควรจะได้รับวิบากเท่าใดเนี่ยนะมันทําไมเราจะปล่อยให้ใจของเราท่องเที่ยวไปในคุณของพระพุทธเจ้าในแต่ละวันน้อยแท้ทํายังไงจะให้ใจของเราเนี่ยเที่ยวไปใน พระพุทธคุณให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้รานเราไม่ควรสันโดษในบุญอันนี้บุญคือศรัทธาที่โครจรท่องเที่ยวไปในพระพุทธเจ้าจริงอยู่บางคนบอกว่าเขาเลื่อมสายนะเขาเลื่อมใสแต่เขาไม่ได้โครจรไปในพระพุทธคุณเขารู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าดีบอกพอจะรู้อ่านะ แต่เขาคิดถึงความดีของพระพุทธเจ้าไหมบอกไม่ค่อยจะคิดเขาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าไหมเลื่อมใสแต่เขาโครจรท่องเที่ยวไปในพุทธคุณไหมไม่มากเพราะฉะนั้นบุญของเขาจึงเป็นบุญที่น้อยมากบุญที่น้อยกุศลจิตน้อยก็เพราะว่าท่องเที่ยวไปในคุณของพระพุทธเจ้าน้อยก็กลายเป็นคนที่บุญน้อยใครที่คิดว่าตัวเองบุญน้อยเหลือเกินเนี่ยนะทไงดี ก็ให้ใจท่องเที่ยวไปในคุณของพระพุทธเจ้าให้มากก็จะกลายเป็นคนที่มีบุญมากเป็นผู้ที่สั่งสมบุญเอาไว้มาก น, นะบุญคนที่บุญน้อยบอกแก้ไม่ยากเลยวิธีแก้ก็คือทำยังไงที่จะท่องเที่ยวโครจรไปในพุทธคุณทั้งปุพพจริยาคุณสรีระคุณพระพุทธคุณอรหันตคุณเป็นต้นของพระองค์และพระพุทธกิจทั้งหลายที่พระองค์บาเพ็ญตลอดจนถึง ธรรมะทั้งปวงนั้นก็เป็นธรรมะที่พระองค์แสดงไว้ดีแล้วตรัสไว้ดีแล้วนะถ้าหากว่าเห็นพร ะ, พระธรรมก็นึกถึงพระพุทธเจ้าได้ันใจที่ท่องเที่ยวไปอย่างนี้เป็นใจที่มีคุณหาประมาณไม่ได้จริงๆเพราะพระคุณของพระองค์นั้นมีค่ามีมากจริงๆอย่างข้อความในพระพุทธรัตนสูตรที่กล่าวถึง พระคุณของพระองค์เนี่ยนะที่บอกว่าบอกว่าอะไรรัตนสูตรที่กล่าวถึงคุณของพระองค์ว่าซับเครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกอื่นหรือรัตนใดอันประณีตในสวรรค์รั์และรัตนนั้นน่ะเสมอด้วยพระตถาคตเจ้าไม่มีเลยพระพุทธรัตนเมน้ชื่อว่าเป็นรัตนที่ประนีตประณีตก็คือมาลว่าดีที่สุด ไม่มีอะไรจะดีกว่านี้อีกแล้วอย่างคำว่าซั์เครื่องปลื้มใจเนี่ยนะเครื่องปลื้มใจเช่นแก้วแหวนเงินทองอะไรก็ตามที่เรียกว่าได้แล้วปลื้มใจเนี่ยนะไม่มีความปลื้มใจเหล่าใดที่จะเสมอด้วยการปลื้มใจในพระพุทธเจ้าเรามีอย่างอื่นนะเราจะปลื้มใจแค่คราวเดียวแป๊บเดียวเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เครียดต่อนะจะไม่ปลื้มแล้วเช่นอะไรนะมีมีอะไรอ่ะ มีมีบ้านอะ่ะมีบ้านตอนแรกบอกปลื้มใจที่มีบ้านหลังจากนั้นก็มองต่อเศร้ามองต่อเพราะคิดถึงเรื่องตะกอดเช็ดถูบํารุงดูแลและรักษาหรือได้ทรัพย์เครื่องปลื้มใจคือรถเนี่ยนะพอได้รถขึ้นมาก็นึกถึงเรื่องการบํารุงรักษาอีกมันเป็นภาระเหลือเกินเนี่ยนะเอามีอย่างอื่นก็ตามเนี่ยนะเอาที่สุดแม้กระทั่งบอกมีชีวิตเนี่ยนะโอ้ดีเหลือเกินที่มีชีวิตเนี่ยเป็นลาบเหลือเกินแล้วการบํารุงรักษาชีวิตเนี่ย เดือดร้อนขนาดไหนแต่ถ้าหากว่าเราเทียบถึงว่าการได้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าได้เครื่องปลื้มใจคือปลื้มใจในพระพุทธเจ้าความปลื้มใจอันนี้เนี่ยเป็นความปลื้มใจที่มีค่าหาประมาณไม่ได้เพราะพระองค์เนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความปลื้มใจอย่างที่สุดเชื่อไหมคนทุกที่ทำอะไรทุกอย่างเนี่ยนะทำให้ตัวเองได้มีอะไรปลื้มใจทาให้ตัวเองได้สบายใจทาไมไม่คิดถึงพระพุทธเจ้าให้บ่อยๆจะได้ สบายใจเป็นวิธีลัดในการสร้างความสบายใจให้แก่ตัวเองลัดที่สุดแล้วที่จะสบายใจลัดที่สุดแล้วจะปลื้มใจเราปลื้มใจในเรื่องอื่นๆนะปลื้มใจแค่ชั่วคราวเช่นมีแก้วแหวนเงินทองข้างหลายเนี่ยนะปลื้มตอนได้แต่ว่าไม่ปลื้มเลยตอนรักษากลัวคนอื่นจะจะแย่งจะชิงเอาไปเนี่ยนะแล้วก็ตู้เพชรเคลื่อนที่ดูเธอเนี่ยนะ ไม่ต้องไปอารักขาไปเดินทั่วไปเนี่ยก็เดือดร้อนนั่นล่ะแผนก็เพราะอะไรก็เพราะว่ามันปลื้มใจชั่วคราวไม่เหมือนคุณของพระพุทธเจ้าไปอยู่ป่าเขาลำเนาไพรที่ไหนก็ปลื้มใจตลอดยิ่งเรียกว่าไปอยู่ในป่าในดงเนี่ยนะในแดนที่เรียกว่าชุมเสือแดนสิงห์ทั้งหลายเนี่ยคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วปลื้มใจที่สุดคิดถึงอย่างอื่นเนี่ยผวาตลอดเวลาคราวใดที่มีอันตราย คราวนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังปลื้มใจต่อไปได้โดยที่สุดผู้ที่แม้ก็ได้ว่าจะสิ้นชีวิตทั้งหลายเมื่อใจโคโจรไปในพระพุทธเจ้าก็ยังปลื้มใจมันจึงไม่มีอะไรเป็นที่ตั้งแห่งความปลื้มใจเท่ากับพระพุทธเจ้าหลายท่านก็บอกว่าเชื่อได้เลยว่าถ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าได้ก่อนตายไปสุคติแน่นอนอนะแสดงว่าพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับ การเดินทางที่ดีที่สุดในการเดินทางข้ามภพชาติเลยนะจากชาติหนึ่งสู่ชาติหนึ่งเนี่ยดีที่สุดเลยถ้าเปรียบเหมือนข้ามน้ําข้ามทะเลก็เป็นเรือชั้นดีที่ข้ามปลอดภัยอย่างเดียวถ้าเป็นข้ามโดยอากาศยานเนี่ยนะก็เป็นอากาศยานที่ดีที่สุดถ้าเป็นการเดินบนถนนหนทางก็เป็นรถที่ดีที่สุดเป็นเรือที่ดีที่สุดเป็นเครื่องบินที่ดีที่สุด เป็นการเดินทางจากชาติหนึ่งสู่ชาติหนึ่งที่ดีที่สุดกเกษมอย่างเดียวปลอดภัยอย่างเดียวถึงความสุขสวัสดีอย่างเดียวดังที่พระองค์บอกว่าชนที่เลื่อมใสในพระองค์สติระลึกถึงพระองค์ก่อนตายเนี่ยนะขณะนั้นเนี่ยพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนารกไปสู่สุขติโลกสวรรค์ไม่ใช่ร้อยไม่ใช่พันไม่ใช่หมื่นไม่ใช่แสนแต่มันมากกว่านั้นหาประมาณนี้ได้ เพราะบุคคลพี่คือพระเรียเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะโดยเฉพาะคนที่พระเรียเจ้าทั้งหลายพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยเขาห่างอย่างอื่นได้แต่ใจเขาห่างพระพุทธเจ้าไม่ได้เขาคิดถึงพระพุทธเจ้าเหมือนเราอยู่ตอนกลางวันเราคิดถึงแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์จะไม่เผลอเลยวันนี้เป็นกลางวันเขาคิดถึงพระพุทธเจ้าได้บ่อยๆอย่างนั้นหรือตอนกลางคืนที่เดินทางด้วยคืนเดือนมืดมองเห็นพระจันทร์เนี่ยพระจันทร์เนี่ยลอยเด่นในใจของเขาตลอดเวลา ฉันใดคนที่เป็นพระริยเจ้าทั้งหลายใจเขาโคจรในพุทธคุณอยู่เสมอกายจะห่างก็จริงแต่ใจไม่เคยห่างพระองค์เลยนั้นบุคคลเหล่านี้จึงพ้นจากอบายทุกขติมินิบาตนรกได้อย่างถาโถนนั้นพระพุทธรัตนเนี่ยนะพระพุทธคุณเนี่ยเป็นเครื่องปลื้มใจทั้งยามดีและยามที่เรียกว่ายามร้ายยามดีเนี่ยนะตอนสุขตอนสบายคิดถึงพระพุทธเจ้าก็าประเสริฐ ยามร้ายกายไม่สบายป่วยไข้าทางร่างกายเจริญพุทธานุสติก็เป็นปัจจัยให้หายป่วยบางโรคได้ขณะเดียวกันเจริญพุทธานุสติเนี่ยนะหายป่วยทางใจรักษาโรคร้ายเพิ่มสติปัญญาให้มีปัญญารู้เหตุการณ์ในอดีตอนาคตและปัจจุบันยังถึงประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและก็ประโยชน์อย่างยิ่งพันพระองค์นี้จึงเป็นเครื่องปลื้มใจที่ ประเสริฐที่สุดที่สูงที่สุดนึกถึงเธอมีอย่างอื่นให้ปลื้มใจไม่ได้ปลื้มเท่ากับระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่เป็นที่ตั้งแห่งความปราบปลื้มใจแล้วก็ปลื้มโดยไม่มีจบมีสิ้นด้วยเรียกว่าเป็นความเป็นรัตนะเป็นแก้วอันประเสริฐ ท, ที่เรียกว่าปลื้มใจได้ตลอดไป